เจ้าชายที่น่าชื่นชมป่าเป็นที่ที่มีสเสน่ห์และเงียบสงบด้วยเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างในและความลับที่น่ากลัวจะกลางป่าที่ได้กล่าวมาพระราชาได้หลงอยู่ในนั้น mm hmm. เขาหลงอยู่ในป่า mm hmm. เขากังวลว่าจะหาทางออกไม่เจอ ทัในใดนั้นเขาได้เจอกับชายแก่หลังของชายแก่คมและเขาถือไม้เท้าเพื่อพยุงตัวเองนวดของเขายาวจนไปถึงพื้นเจ้าเป็นใครมาทำอะไรในป่าของฉันเจ้าหลงทางหรือชาวนาะข้าไม่ใช่ชาวนาะข้าคือพระราชาของพื้นที่นี้และป่าก็เป็นของข้า แต่ว่าข้าหลงทางท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมอาเจ้าคือพระราชาเหรอมันดีมากเลยนะถ้างั้นพระราชาของฉันป่าเป็นของฉันแล้วฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้ทางออกถ้าฉันพาออกไปได้ฉันต้องได้อะไรกลับมาพระราชาตกใจกับนิสัยของชายแก่แต่เขา ต้องกลับบ้านไปอยู่กับพันรยาและลูกของเขาท่านอยากได้อะไรเป็นของตอบแทนอย่างนั้นเหรอบอกราคามาได้เลยฮะฮะฮ่ฉันไม่ต้องการของแบบนั้นหรอกดูเหมือนฉันต้องการเหรอไม่สัญญามา ก, ก่อนว่าเมื่อฉันทรงเจ้าถึงประตูอาณาจักรของเจ้าไม่ว่าอะไรที่เดินออกมาจากประตูนั้นก่อน จะต้องให้ฉันฉันให้เวลาหนึ่งวันและต้องสัญญามาว่ามันต้องเป็นของข้าตลอดไปมันเป็นอะไรก็ได้ที่จะเดินออกมาจากประตูพระราชาคิดกับตัวเองแต่เขาก็คิดว่าเขาลงป่ามานานมากแล้วทุกคนเป็นห่วงเขาเขาตัดสินใจเขาจับมือกับชายแก่เพื่อเป็นการตอบตกลง เดินตามชายแก่หลังค่อมในป่าพระราชาก็เพลิดเพลินและประหลาดใจในบางครั้งที่ความเร็วและความยืดยุนของชายแก่ชายแก่พาเขาผ่านทะเลสาบและผ่านพื้นที่ขนาดเล็กแต่อย่างไรก็ตามพระราชาก็ก้าวผ่านไปข้างหน้าได้ในที่สุดพระราชาก็กลับมาถึงบ้าน จำคำสัญญาของท่านไว้พระราชาของฉันพระราชาถูกต้อนรับด้วยดอกไม้และเสียงโหดร้องประชาชนดีใจที่ได้เจอและกลับมาอย่างปลอดภยัยพระราชินีร้องไห้ด้วยความดีใจก่อนที่พระราชาจะพูดอะไรพระราชินีวิ่งออกมาพร้อมกับลูกชายที่เพิ่งเกิดในอ้อมแขนและก้าวข้าประตู เป็นสิ่งที่ชายแก่เห็นที่ออกมาจากประตูเป็นอย่างแรกชายแก่เห็นทารกเขาก็ยิ้มพระราชาหันกลับไปมองชายแก่เดินกลับเข้าไปในป่าพระราชาของฉันคุณดูกลุ่มใจมีอะไรเหรอบอกฉันสิอะไรคือปัญหาคุณไม่มีความสุขที่ได้กลับบ้านเหรอไม่ฉันดีใจมากที่ได้กลับมาบ้านมาเจอกับภรรยาและลูกชายของฉันแต่ฉัน ทำความผิดใหญ่หลวงนักที่รักพระราชาบอกราชินีทุกอย่างทุกรายละเอียดทำให้เธอได้ตกใจและพวกเขาทั้งคู่ก็คิดว่าจะทำอย่างไรฉันคิดออกแล้ว พระราชาเรียกรัฐมนตรีของเขาและถามว่ามีเด็กคนไหนที่เกิดวันเดียวกับลูกชายของเขารัฐมนตรีกล่าวว่ามีเด็กผู้หญิงเป็นลูกชาวนาที่เกิดในคืนเดียวกับเจ้าชายพระราชาเรียกทั้งคู่เข้าพบพร้อมกับเด็กทารกพระราชาของเราท่านเรียกพวกเรามามีอะไรอยากให้พวกเรารับใช้เหรอท่านชายอันเป็นที่รัก พระราชาของท่านได้ขอให้ท่านช่วยสิ่งหนึ่งที่เขารู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้แต่ว่าข้าจะให้รางวัลตอบแทนต่อการเสียสละให้อนจาจักรของเจ้าพระราชาได้พูดคุยกับชาวนาและอธิบายทุกอย่างโดยที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจเขาขอให้ลูกของชาวนาไปอยู่กับชายแก่แทนที่ลูกชายเขา พระราชาสัญญาว่าจะดูแลคู่สา ม, มีภรยาชาวนาไปตลอดถ้าพวกเขาเสียสละเช้าวันถัดมาชายแก่ยืนอยู่ที่ริมป่ารอให้พระราชามาถึงเวลาผ่านไปประตูได้เปิดออกพระราชาขี่ม้าออกมาเจอชายแก่มองด้วยความโกรธเขาลงออกจากม้า พร้อมกับตราเกาที่คุมด้วยผ้าขาวเขาส่งเด็กทารกที่ร้องให้กับชายแก่ชายแก่ยิ้มด้วยความชัว่วรายเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขากําตรกาก่าเขาเดินเข้าป่าพร้อมกับเด็กหญิงทารกพระราชาทําได้แต่มองดูทั้งคู่หายเข้าไปในป่า หลายปีผ่านไปเจ้าชายได้โตขึ้นเขาใจดีฉลาดและช่วยเหลือผู้อื่นฉันดีใจที่เห็นอนาณาจักรของพ่อเป็นไปได้ด้วยดีผู้คนมีความสุขพวกเขามีอาหารกินและพื้นที่ที่น่าอาศัยอยู่แล้วพระราชาจะต้องการอะไรอีกล่ะขณะที่เจ้าชายเดินไปตามถนนภรรยาของชาวนาได้จ้องเขา เธอมองไปที่สามีของเธอที่พยักหน้าและทันทีที่เขาหันหลังเธอวิ่งไปที่เจ้าชายยืนอยู่ต่อห น, น้าเจ้าชายและกันไม่ให้เจ้าชายเดินท่านไม่รู้จักฉันหรอกแต่ฉันจะต้องพูดเรื่องนี้กับท่านใช่พระราชาเป็นคนดีเขาได้ดูแลอาณาจักรของเขาแต่ต้องแลกกับอะไรล่ะท่าน ห, หรือเรา ถามเขาเกี่ยวกับลูกของฉันสิเจ้าชายเป็นกังวลเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นพูดถึงเรื่องอะไรในช่วงมื้ออาหารคำ่ำเจ้าชายถามพ่อแม่ของเขากกับสิ่งที่เกิดขึ้นบอกความจริงกับผมมาท่านพ่อผู้หญิงคนนั้นโกหกหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มากกว่า น, นั้นพระราชาเล่าเรื่องการเดินป่า และชายแก่ในครั้งนั้นคำสัญญาและการเสียสละเพื่ออนาจากักผมต้องไปหาเธอเพราะความเสียสละของเธอทำให้ผมมาอยู่ที่นี่จนทุกวันนี้ผมไม่สามารถเป็นเจ้าชายหรือพระราชาได้ถ้าเธอไม่เป็นอิสระผมจะนำเธอกลับมาไม่ก็แทนที่เธอท่านเข้าใจใช่ไหมท่านพ่อท่านแม่ ลูกต้องทำในสิ่งที่ลูกคิดว่าถูกต้องเหมือนที่พ่อทำเช้าวันถัดมาเจ้าชายแต่งตัวเป็นสามัญชนธรรมดาเพื่อที่จะปกปิดว่าเขาเป็นเจ้าชายและนำถุงมเมล็ดพันไปด้วยเพื่อถ้าเขาหลงอยู่ในป่าเขาจะได้หาทางกลับบ้านเจอเป็นอีกครั้งที่เจ้าชายได้หลงอยู่ในป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบพ่อของเขา เขาเหนือ่อยหลังจากใช้เวลาหลายวันเขาหลับอยู่ในป่าในคืนที่เงียบสงบเขาได้ตื่นขึ้นเพราะไม้หนักๆโอ้โหนี่คือป่าของฉันมานอนที่นี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จ, จากฉันได้ยังไงคิดว่าตัวเองเป็นใครเชื้อราชวงศ์ละตื่นขึ้นมาซะเจ้าขยะ เจ้าชายตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและดีใจที่ได้เจอกับชายแก่ชายแก่ก็ดูจะเป็นแบบนั้นด้วยพวกเขาเดินปวกเปียกและงุดหนิดเออผมขอโทษครับท่านแต่ผมต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ผมหิวมากท่านพอจะใจดีช่วยให้อาหารและให้งานผมทำสักสองสามวันได้ไหมผมจะดีใจมากท่านดูใจดีและใจกว้างมาก ชายแก่ไม่ได้ดูใจดีหรือใจคว้างเลยแต่เขาคิดได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้น่าจะใช้ทำอะไรได้ก็ได้ฉันน่าจะใช้นายทำอะไรได้แต่ว่านายต้องทำตามคำสั่งของฉันนายจะได้อาหารและการดูแลจากฉันแต่ถ้าฟ้าฝืนแม้แต่ครั้งเดียวฉันจะทำให้นายชดใช้เขาใจไหม ชายแก่ได้ใช้เวทมวนต์ทำให้เจ้าชายมองไม่เห็นและนําทางเจ้าชายเข้าไปในป่าเจ้าชายได้รอยมเมล็ดตามทางเดินชายแก่ก็สนุกสนานกับการแกล้งเจ้าชายเจ้าชายได้ตกลงไปในทะเลสาบน่าชนกับต้นไม้ชายแก่มีความสุขยิ่งนักและในที่สุดก็ถึงบ้านชายแก่นี่คือที่ที่นายจะนอ นายต้องไม่พูดหรือว่าถามคำถามกับใครต้องทมตามที่ฉันบอกตกลงไหมอาหารอยู่ขังไหนแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานได้เลยเจ้าชายตกลงแล้วชายแก่ก็เดินจากไปเจ้าชายวางถุงลงเขากังวลว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหลายชั่วโมงผ่านไปและเวลาอาหารข้ามก็มาถึงแล้วเจ้าชายหลับอยู่ ผู้หญิงก็ได้เดินเข้าไปหาเจ้าชายและสะ ก, กิดเขาสามครั้งและสุดท้ายเธอก็เตะเขาได้เวลาตื่นแล้วคนขี้เศรามีอาหารมาให้กินนายต้องทำงานเยอะเลยนะพรุ่งนี้ชายแก่จะไม่ให้นายพักอีกต่อไปเพราะฉะนั้นนายต้องกินพวกเขาเดินเข้าไปข้างนายด้วยกัน เจ้าชายรู้อยู่ในใจว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่เขาตามหาเขาได้เจอเธอแล้วเขานั่งด้วยกันที่โต๊ะอาหารผู้หญิงเดินไปมาที่ห้องครัวเอาอาหารมาให้เจ้าชายเจ้าชายไม่สามารถหยุดช่องเธอได้ตอนเช้าชัยแกสั่งงานหลายอย่างให้เจ้าชายทำเก็บผ ล, ลไม้บนต้นไม้สูง ไปเอาน้ำที่ทะเลสาบทำความสะอาดเท้าโทรปรงฟันให้ชายแก่เจ้าชายต้องทำทุกอย่างผู้หญิงได้มองดูเจ้าชายทำงานทั้งหมดเป็นห่วงและภูมิใจในตัวเจ้าชายเธอมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอแม้ว่าชายแก่จะสั่งให้ทางานที่ยากเขาได้สั่งให้เจ้าชายไปตัดหญ้า เพื่อที่จะให้อาหารมา้าเป็นอาทิตย์ถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้กินอาหารสามวันเขาให้นายทำอะไรเหรอเขาอยากให้ฉันตัดหญ้าทั้งหมดภายในวันเดียวแล้วฉันจะทำได้ยังไงโอ้โชคดีจังนี่ฟังนะมันคือทางออกเดียวของนายนะเจ้าชายได้นะม้าสองตัวออกมาจากคอกไปที่ช่งหญ้า เขาตัดหญ้าเป็นช่อๆและถือไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นเขาผูกมันไว้ด้วยกันและเริ่มขี่ม้าไปตามทุ่งหญ้าพร้อมกับเคียวขนาดใหญ่ในมือของเขาแผนของเขาเป็นไปได้ด้วยดีทำให้เขามีความสุขหญ้าทั้งหมดในทุ่งได้ถูกตัดเจ้าชายได้นั่งบนหลังของม้าที่เหนื่อยและให้อาหารม้าในระหว่างทางกลับไปที่บ้านของชายแก่หญิงชาวนายิ้มเมื่อเห็นเขากลับ ชายแก่โมโหและเช้าวันถัดมาฉันมีอะไรให้นายทำนี่คือวัวสีดำราคาแพงของฉันนายต้องรีดนมออกมาให้หมดเพราะว่าน้ำนมฉันใกล้จะไม่เหลือแล้วรีดนมวัวออกมาให้หมดฉันจะได้ไม่ต้องหิวอีกต่อไป <c oughs> รีดนมวัวให้หมดภายในวันเดียวเหรอลบมันจะเป็นไปได้อย่างไง แล้วอย่ากลับมาบ้านล่ะถ้าหากว่าทำงานยังไม่เสร็จเจ้าชายพยายามสองสาครั้งเขาถูกต่อยและถูกเตะบนหน้าหลายครั้งจากเจ้าวัวฮฮและเขาก็นั่งลงและยอมแพ้เขารอสาวชาวนา ม, มาหวังว่าเธอจะมาช่วยนายจะทำได้ยังไงถ้าไม่มีฉัน่ะ หญิงสาวได้ช่วยเจ้าชายอีกครั้งเธอช่วยให้มือของเจ้าชายอุ่นขึ้นเพื่อจะได้รีดนมวัววัวเริ่มตอบสนองทั้งหลายถังเต็มไปด้วยนมวัวดำหลังจากนั้นหญิงสาวอวยพรให้เจ้าชายโชคดีและให้เขาทำที่เหลือต่อในที่สุดก็ได้นมยี่สิถังมันมากพอที่จะดื่มได้นานชายแก่ มาถึงเห็นเจ้าชายเจ้าชายนั่งยิ้มและดื่มนมอยู่ชายแก่โมโหมากๆมกออกไปจากบ้านของฉันฉันไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่นายได้แหกกฎอย่างแน่นอนงานนี้นายต้องทำคนเดียวนายรับความช่วยเหลือจากเธอฉันไม่ยอมรับการโกองออกไปจากที่นี่ซะ ฉันช่วยเขาเองลองโทษฉันเถอะพ่อมดตอนนี้ได้กลายร่างเดิมขังโทรไว้ในกรงและให้เจ้าชายออกจากบ้านไปในตอนเช้าและอย่าได้กลับมาอีกหักไม้เขาซะเว้นมนของเขาอยู่ที่นั่นฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันอยากจะเห็นโลกเขาขังฉันเล็ดโทรไว้หักไม้เขาซะ เจ้าชายมองดูโทรที่เศร้าเขารวบรวมความกล้าหาญของเขาเขารู้ว่าเขาต้องทำเขารักผู้หญิงคนนี้และไม่สามารถทิ้งเธอไปได้เขาวางกระเป๋าของเขาเขาหยิบควานที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาเขาไปิดไหล่โทรและพวกเขาแอบเข้าไปทางหน้าต่างที่หญิงสาวได้เปิดทิ้งไว้พวกเขามองหาพ่อมดเดินเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆพวกเขาเข้าไปในห้องที่ใหญ่ที่สุด ในห้องนั้นเขาเจอพ่อมดที่ตื่นอยู่และกำลังจับแขนของหยิงสาวไว้พร้อมกับหัวเราเจ้าคิดว่าจะสู้ข้าได้เหรอโง่จริงๆไม่มีทางหรกหน้าเจ้าเด็กน้อยแต่เจ้าชายไม่กลัวเขาเล็โทโรวิ่งเข้าหาพ่อมดทำให้เป็นซองเป้าหมายในการโจมตีของพ่อมดให้ผลขณะที่โทรโดนโจมตีเจ้าชายผลักพ่อมด และที่เอาไม้เช้าพ่อหมดมาหญิงสาวได้ถูกปลดปล่อยและวิ่งไปหาทโทรท่านจะทําร้ายคนอื่นอีกต่อไปไม่ได้แล้วไมเวทมนต้ถูกหับลงชายแก่สุดไปกับพื้นผมกลายเป็นสีขาวและแก่อีกครั้งหนึ่งยกมือขึ้นและขอความเมตตาพวกเราจะไปจากที่นี่ท่านจะไม่ได้ทําร้ายใครอีกไม่มีคําสัญญา ไม่มีงานจากคำสั่งของท่านอีกต่อไปข้าคือเจ้าชายท่านจะต้องเชื่อฟังคำของข้าพวกเราจะไปจากที่นี่และท่านจะไม่ได้เห็นพวกเราอีกต่อไปหลังจากที่ออกมาจากบ้านชายแก่พวกเขาเห็นทางที่เจ้าชายได้ทิ้งมเมล็ดไว้มเมล็ดพวกนั้นกลายเป็นทางกุหลาบพวกเขาจับมือและเดินกลับไปที่วังด้วยกันและเจ้าโทอเดินตามมาที่ด้านหลัง เจ้าชายแนะนำหญิงสาวให้รู้จักพ่อแม่ของเธอพร้อมด้วยพระราชาและพระราชินีพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอาณาจักรของพวกเขาและเป็นที่รักของทุกคนเธอจะเป็นราชินีของผมเธอกล้าหาญฉลาดมีน้ำใจและสวยงาผมไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วและพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดกาล